เป็นเรื่องเป็นราวกับ IG แห่ง สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักกันนะคะใครที่ยังไม่ YouTube นะคะคะ 2017 นะคะฮะไม่ใช่ 2017 2007 ค่ะพูดถึงคุณ คุณททัยรัตน์นะคะคุณนิรุตคุณพริมเราก็ต้องคุณคุณเชิญประคุณ <c oughs> ยินดีว่ะเอาใหม่มันตื่นเต้นนะพูดผิดเอาใหม่ใหม่อุ้ยมันไม่รู้จะพูดอะไรมากไปกว่านี้เต้นน่ะพูดๆแล้วทราบแต่ว่าเป็นการ ทโรชาเดี๋ยวต้องมาต่อกันนะๆ <laughs> ผ่านผ่านๆอุ๊ยนิรุทบอริสล่ะเอ่อเอ่อในคือ ตอนนั้นคือตอนนี้ 75 คุณส่วนโอ้โหตัวฉันเอง CNN เนาะคือเอาอย่างนี้เอาอย่างงี้มี no. Miss Universe Thailand ๆ <laughs> ฉันมั่นใจมั่นใจยกคดีจอห์นนี่เดฟกับแอมเบอร์เฮอร์ฉันติวได้เรื่องเดียวนึกป่ะคือพอ แหวนไงเธอออนเรนนึกมะแหวนต้องมาตอนนั้นฉันฉันอืม FC All FC ใครที่อยากได้เนื้อเนื้อจะบอกก่อนนะแจ้จะไปทําคลิปแยกนะ 10 คนแบบเนื้อเนื้อ 5 นาที 10 นาทีว่าไปแต่อันเนี้ยคือโน ทำไมไม่เข้าเรื่องสักทีของคนที่คอมเมนต์มาดังนั้น ทุกคนอย่างอ่ะ 4 ซึ่ง สำหรับแต่บอกผมนอนคนเดียวไม่ได้มันแปลกมันแปลกดังนั้นเงินมากที่ ซึ่งลูกแฝดเนี่ยคือข่าวที่ออก Grimes Grimes ก็คือคนที่ปิด Grimes Grimes 2 คน 2 ก่อนที่อ่ะๆเป็น Executive no เลยดังนั้นๆเฮ้ย วันนี้ผ่าน Amber Heard นะวันนี้ประสานราชวังต้องมานะแล้วก็ ใช่แท้มาแล้วออนไลน์นะคะอ่าทีนี้ทุกคนดูหน้าฉันก่อนดูหน้าฉันซึ่งคอลลาเจนเนี่ยเป็นคอลลาเจนที่ได้ ส่วนถึง 10 เท่าด้วยกันทุก 12 เท, คนละลายแล้วดื่มทําไมทําไมถึงจะ มี B Coplus มีๆคนมาบอกแจ้ว่าเฮ้ยแจ้หลับลึก 40 ภายในสุดนํามากินนี่กลับไปเล่นบานได้อีกครั้งฉันดีผม แพล่วดังนั้นกระดูกด้วยกระดูกด้วยๆเนี่ยดังนั้นกระดูกด้วยกระดูก Nade Marine ที่ปกติ 990 วันนี้ 790 บาทค่ะ You are what you eat TMC มาแล้วนะอ่ะ อันนี้นัวๆนะโดยเอพิโซดเนื้อๆเดี๋ยวจะคือนานอ่ะแจ้ก็ หลายสิ่งหลายอย่าง far too many people are under the illusion the earth is over populated นะฮะเค้า นะฮะ 10 คน, ภรรยาคนแรกของอีลอนมัสเนี่ยมี 2002 นะฮะเป็นก็คือ 10 สัปดาห์หลังจากอาการทารกเสียชีวิตกระทันหันหลังจาก มันแต่หลังจากนั้นเองหนักมากสําหรับชีวิตช่วงนั้น 3 ด้วยนะนะมีฝาแฝดกับวิเวียนนะ 2004 ตาม 3 ไคเซกซอนเฮ 2006 เฮ้ยคุณลูกเนี่ย วิเวียนซึ่งอดีตเป็น 2022 จัสตินบอกว่า อันนั้นคือลูกที่ที่แล 8 แล้วนะใช่มั้ยก็แล 6 นะแล้วก็มีกับคราน ทีนี้เนี่ยพามาดูภาพนิดนึงทุกคน รู้สึก 10 สัปดาห์มั้งเอ้ยหรือฉันงงกับเลขเลขเมื่อเอ่อกับเนี่ย คือลูกๆก็มาอยู่ด้วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมัน เธอต้องไปดูคลิปนั้นนะคะต้องไปดูคลิปนั้นนะคะจัสติน ทำไมออเรนก็แค่โชว์แหวนนิดหน่อยเพราะบาท มหาเศรษฐีอันดับ 1 790ๆนะคะแต่ any way หลายคนก็เริ่มตั้งคำถามว่าคนก็เริ่มตั้งคําถามว่าเอ้อทําไมอีลอนมัสค์คือแบบเอ่อที่ South Africa เนี่ยคุณพ่อเป็นวิศวะแล้ว IQ แต่ abuse เนี่ยค่ะ Abuse ภรรยา Abuse ลูก Elon Musk เคย did not have a happy childhood ก็คือว่าไม่ได้มีชีวิตวัยเด็กที่มีความสุขคือว่าไม่ได้มีค่อย อายุ 10 เป็นวัยทีนต้นๆเอางี้ดีกว่าเป nice Rolling Stone นะเธอ เขาบอกว่า my dad was a horrible person แล้วเขาก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าอะไรที่เค้า evil เขาพูดเลยว่า evil มากหมายถึงว่าเป็น evil คืออะไรนะคือเป็นนะคือ กฎว่าตอนหลังอีลอนมัสก็ออกมาพูดเลยว่า แต่รู้สึกว่าเป็นคดีฆ่าแต่ถูกเธอก็เป็นข่าวลือ ได้มาของก็ถือว่าทางจริง นึกมาถึงขั้นว่าทํายังไงๆสื่อๆคน เกี่ยวข้องกับชีวิตวัยเด็กหรือเปล่ากับชีวิตวัยเด็กหรือถูก เขา you can structure your own universe หมายความแล้วสิ่งที่เขากำลังทำอยู่แต่ละอย่างเนี่ยคุณ powerful มากเรามี หรือแม้กระทั่งจะเอามนุษย์ไปมัสเรา ทีนี้มาต่อกันเลยทุกคนทีนี้เนี่ยมาคืออย่างกันแต่อีลอน Musk เนี่ยเทคโนโลยี ที่มันเรียนรู้ได้เอง AI learning ต่างๆเนี่ยวันนึงมันจะล้ํา AI สองเค้าก็เห็นนะ AI ก็มีอย่างอื่นค่ะ ไม่ว่าจะเป็นว่าต่างๆอะไรอะไรหลากคืออ่ะอย่างมีมาให้ไปมีอะไรให้ไปบ้า นะคะเออจากนั้นนะคะนั้นนะคะต่อกันเลยดีเนี่ย มาแล้วค่ะอันนี้เป็นคลิปที่ นะคะ. Amber มานะคะอันนี้เป็นคลิปที่แอมเบอร์เฮิร์ทเปิดตัวเป็นครั้งแรกเลยๆ <c oughs> ในหนังเรื่องนึงเมื่อนานมาแล้วแล้วๆแล้ว ก็คงได้แลกเปลี่ยนเบอร์ๆคนอาจจะได้เห็นภาพในลิฟต์ แต่ทายที่สุดทายที่สุดคือครบตัดเนี่ยเค้าก็เค้าแต เริ่มพูดมากนะคะพูดมากนะคะพอพูดมากเริ่มประสาทราชวังนะพอเจอนะคะจริงๆใช้น้ํา เทลงไปน้ําเนี่ยจะออกเป็นสีชมพู ขอจับดีๆก่อนขอจัดดีๆก่อน 7 แหวน แต่อันเนี้ยเค้าผสมดีแอด 990 ค่ะวันนี้ 790 บาทนะใครมาดูย้อนหลังก็ยังสั่งได้ก่อนไม่ใช่ คือของดีแล้วอร่อยอ่ะบำรุงกระดูกบำรุงข้อบำรุงผม 10 เท่าที่สําคัญเค้ามีเทคโนโลยีนะคะที่ ระดับโนเบลเลยนะคะที่พูดถึงเรื่องการยืดอายุ แจ้เป็นจริงๆเค้ามีทั้งแบบแบบน้ําและแบบเยลลี่แต่ นะคะไม่ได้พูดถึงอ่ะแก้วจริงๆข้างล่างเนี่ยมองนะเธอ ตอนนี้เดฟเนาะเราหน้าสวยไม่หยุดนะเอาดีๆเซน่าเอ็มออปเจลเลเฮ้เวลคัมโฮมนะคะต้อน อันนี้ก็เป็นอีกภาพนึงแดงๆๆๆๆๆ แต่ว่ายังไงเราก็ไม่รู้เพราะ 2 3 Amber He จำไม่ได้ว่าที่สื่อไหนนะคะเราก็บอกว่า she broke up with me more than i broke up with her ก็คือเธอทิ้งผมมากกว่าคือเอ่อก็คง IQ สามารถทําแต่ Cheers Amber ก็ต้องให้สามารถ มีคน Cheers คือถ้าเราย้อนกลับไปถ้าในเรื่องที่ว่าน้องอาจจะมีอาการของ BPD คือ Borderline Personality Disorder เนี่ยเอ่อ Love Bombing นะคะ love bombing คืออะไรอะไรก็คือช่วงซึ่ง Elon มัสเนี่ยเป็นคนที่เนี่ยคือ Instagram ของ Amber Heard มีหลายรูปเอางี้ดีกว่าที่แอมเบอร์เฮิร์ทอ่านหนังสือนะคะเอ่อก็มีคนบอกว่าแอมเบอร์ๆอ่ะ มันก็ไม่ไหวだๆใช่มั้ยอันนั้นคืออ่านจริงๆ<笑> Amber Heard นึกนะเห็นมั้ย นักร้องสาว Grimes นะฮะ Grimes มา Grimes Gr เนี่ย Grimes นะฮะ R ด้วยนะคะเดี๋ยวจะ Grimes ก็เปิดตัวปังนะฮะไป Grimes ก็แต่งตัว อีลอนมัสก์ก็บอกว่าชอบในความเป็นคนครีเอทีฟของไกรมส์นะฮะแล้วก็เป็นคนคนคน 2 คนเนี่ยก็ปรากฏ นั่นแหละขณะโบโบเริ่มเห็นละโบเริ่มซื้อตั๋วจะคือ <c ười> กัมมี่เทรนด์ดู 2 เนี่ยตอนหลังก็นี่ไงๆเนี่ยแกรนซ์ก็ไปก็ ครบกันมีลูกกันกัน 2 คนซึ่งชื่อลูกก็คือ x XHA12 นะคะ นะ, นะ. XHA12 นะปี 2020 แล้ว 1, แล 1 ปี Elon Musk กับ Grimes ก็ในเดือนทันวาคมของปี 2021 นะซึ่งจริงๆ Grimes ในปี 2021 ไม่กี่ๆแล้ว ติงมีลูกแฝดไปก่อนแล้วนะคะซิลิส 1 บอก H a 12 เธอเธอเธอ uh huh. My name is X H a 12 เราจะรู้สึกเลยว่า Are you kidding me นี่จริงใช่ไหมจริง a 12 นะคะดีไม่ดีมันเธอ A4 double a 4 what's your name x my name is Ex a 12 are you for real <laughs> ตอนนี้แหละเรากันพอลล่าเธออีก 5 ปี 10 ปีดี ต่อไปเรื่องที่เราขำเค้าจริง <c rim es> Executive Willis นะคะคนล่าค่ะเอ่อ นะคะ. Harvard นะคะตัวอีลอนมัสก์เองเค้าก็บอกว่าเค้าเนี่ย ชอบอยู่ do my best to help the underpopulation crisis at collapsing birth rate is biggest danger civilization faces by far อ่า underpopulation ความว่านี่เป็น crisis เลยทีเดียว นะคะเค้าบอกว่า 2 นะเอ่อแล้ว uh, Mark my words they are sadly true เชื่อผมเถอะนี่ I hope you have big families and congrats to those who already do นะ ผมก็หวังว่าทุกด้วยชื่อ น้อง AA A4H14 Yakobsen อะไรแบบเนี้ยต่อไปคือพวกเธอจะจะมีลูกชื่ออย่างเอ่อซิลิสเนี่ยนะคะมีอีก มีเราเล่าให้กับแขกผู้มาเยือนโรงเรียนฟังงานวิทยาศาสตร์อ่ะเราเล่า Prince Harry <c oughs> แล้วค่ะจุดนั้นลูกที่มาเนี่ยก็คือกับคนที่เขาท็อปและ อย่างเช่นคนแรกเนี่ยภรรยาคนเนี่ยเป็นนักเนี่ยเนี่ยแล้ว 10 ที ใครที่สุดก็คือต้องไปเดทกับอีลอนอยู่ดีเป็นเพื่อเป็น แล้ว Grimes ซึ่ง Crime เนี่ยเห็น depth เรียน Harvard แล้วจบออก เรียนฮาร์วาร์ดของ Neuralink อ่ะธรรมดา 1 2 3 Spotlight ใครๆๆก็ก็มีนักลงทุนคนหนึ่งซึ่งเป็นนักลงทุนรู้เรื่องราวของอีลอนมัสเนี่ยก็มีนักซึ่ง ที่โลกเนี้ยอัตราการเกิดของกัน จันทร์นี่ถามว่าแจ้งว่าเค้ายังมีซึ่งเอ่อ สั่งเลยมาก 10 เท่านะคะสูตรใน centello age เนี่ยเป็นงานวิจัย UC2 UC2 ไม่ใช่ลูกไม่ใช่ชื่อลูกของ Elon ไม่ UC2 เป็นลูกศาลที่ช่วยผม นาเดมารีนคอลลาเจนไดเปปไทด์นะคะนี่เลยค่ะแอดบิรัสค่ะ 990 นะคะคะต้องได้ 790 นะคะคะส่งฟรีทั่วประเทศแจ้เนี่ย เป็นแหล่งผลิตเป็นแหล่งประมงผลิตเป็นแหล่งประมงปลาน้ําความเนี่ย จากภูเขาของนอร์เวย์ๆเนี่ยนะตัวพอๆกับ ถ้าเพราะว่าตัวทอบมากได้เป็นคนอีลอนอีลอนมันมีลูกด้วย อันนี้นัวๆเนาะใครใครอยากหยุดคือถ้าเราพูด ถึงแม้ว่าพ่อเค้าเค้าจะบอกว่าพ่อเค้าอีโวแล้วก็ เขารู้สึกแปลกแยกออกมาจากคนอื่นๆไม่ใช่เรื่องผิด energy เวลาที่เค้า 1 ในเวเว Personality Disorder ที่เรา Johnny Depp Amber Heard ประสาทราชวังในใน อันนี้จริงจังคนนั้นก็จะมาเนี่ยๆอื่นๆเขาไม่อ่ะเออกับกับอารมณ์ก็ ลองเช็คลองเช็คตัวเองนะคะว่าเอ๊ะทําไมเราถึงไม่ ทุกคนก็บอกฉันมีสิทธิ์ค่ะฉันมีสิทธิ์ที่จะนั่งเฉยๆฉันเป็นมนุษย์ มันมันเป็นอาการว่า โปรคนทุกคนฮือฮาอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆก็แบบเฉย กับคนที่อยู่ต่อหน้าคนเออแล้วก็ลื้อเปล่าหรือเปล่าอันนั้นเป็นเนี่ย ไปแทงก็ไปเซาซ่าเต้นเป็นคู่ YouTube หรือ TikTok อ่ะที่แม่ลูกอุ การคือถูก รู้สึกต่อต้านนิดนึงนะคะเพราะตัวเองก็เป็นคนนั้นต้านนิดนึงนะอืมนึกมั้ยก็คือดังๆ ดร. แวน ให้ไปทําอะไรที่ต้องซิงค์กับมนุษย์คน<งค> ที่ที่ฉันพูดถึงเรื่องของการเป็นแพนิคแอทแทคนะฮะจะรู้ แค่ปะกะะจะไม่ได้พิเศษนะคะอันนั้นน่ะอ๋อบอบบี้บอบบี้ คือเราตัดขาดจากโบแล้วไงโบโบเลยไปเลย แค่เรื่องอ่ะนี่จะหมดชั่วโมงละเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาประสบมา ความสัมพันธ์กับพ่อก็จะยังไม่ๆนะฮะเวลาทําอะไรให้ลูกกินเนี่ย รักเชื่อเจ้เชื่อว่าที่เค้ายังเป็นคนๆ ทุกคนเชื่อไหมว่า I'm not sure you wanna be like me หน้าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีความสุข เขาอาจจะกำลังสร้างประโยชน์ให้กับโลกอาจเข impact เอ่อแต่ว่ามนุษย์เกิดมาเขาก็ยังเป็นผู้ชายคนหนึ่งอยู่เหมือนกับพวกเราทุกคนอ่ะจะว่ามี 1% มันขึ้นอยู่กับว่ามันขึ้นอยู่กับว่าณวันที่สูญเสียเราอยู่ ไม่ต้องไปดาวอังคารก็ได้จะรู้สึกแบบนั้นแต่ไปดาวอังคารก็ดีนะอังคารก็ได้จะรู้สึกแบบนั้นแต่ไปดาวอังคาร จะต้องไปสร้างกลัวแบบ 0 พันน่ะอีกคนนึงบอก คำถามๆ I'm not sure you want be like me มันบอกหลายๆอย่าง นะคะแต่ท้ายที่สุดนี้ต้องขอซึ่งมีนวัตกรรมนี้เลยค่ะนี่เค้าเขียนค่ะซึ่งเอ่อเข้าไปจัดการนะคะ นะคะบำรุงกระดูก 790 ทุกคนส่งฟรีทั่วค่ะนี่ค่ะ @billas ค่ะครั้งหน้าถาม เรื่อง prince prince harry ก็น่าสนใจนะคะน่าสนใจ prince harry um, will smith มีแพทเทิร์นทิ้งไว้แค่นี้นะคะมี ขอบคุณอีกครั้งค่ะใครสนใจ B E A U R A Z line vilas ผม You are what you eat ค่ะสวัสดีทุกคนนะไปไป See you, la, la,